บอกอยากสนผู้ที่ฟังเขา อ, อยากจะฟังบ้างไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่า1 0อยเปอเคยอยากบอกอยากพูดความเท็จความจริงให้คนได้ฟังอยากให้มีผู้มาฟัง ให้ได้บอกว่าผิดเป็นอย่างไงถูกเป็นอย่างไรจึงจะคุ้มค่าเข้าสุกน้ำแกงของผู้ที่ให้อาหารขอชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นขอตอบแทนโดยวิธีนี้โดยเฉพาะเรื่องชีวิตของเราเนี่ มันต้องเป็นเรื่องที่รีบด่วนพอสมควรจึงจึงบอกกันเป็นเบื้องต้นให้เราทราบเอาไว้ก็จะได้ใช้ชีวิตันถูกต้องเหมือนกับพระที่บวชใหม่ออกจากโบสก่อนที่จะปล่อยออกจากโบสถต้องบอกอนุศาตรก่อนเพราะเป็นเรื่องรีบด่วนถ้าผิด ถือว่าขาดจากความเป็นภิษุไปเลยถ้าได้บอกแล้วไปทงผิ ด, ผดก็ไม่ใช่ความผิดของเราได้บอกแล้ ว, ลวความผิดอยู่ที่ผู้ทําผิดเองเราก็ไม่บกคล่องเหมือ น, นกับว่าถ้าค น, คนถ้าใครหลงแลง้ว เ, เคยบอกแล้วว่า ความไม่หลงก็มีอยู่ถ้าใครเคยทุกข์เราก็บอกแล้วว่าความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ถ้าใครเคยโกรธก็บอกแล้วว่าความไม่โกรธก็ไม่อยู่ไม่ใช่เราบอกพระเจ้าบอกไปแล้วต <c oughs> <c oughs> ั้งแต่ <c oughs> เดืนเพ็ญเดือนแปดผ่านมาแล้วเกือบ <c oughs> สองพันห้าร้อยเก้าสิบปีใช่ไห ม, ไหมนั บ, นบสองพั น, น้ารอยห้าสิบสามบวกเข้าไปอีกสี่สิบห้าโนด <c oughs> ถือว่าในโลกนี้มีคนที่ได้พูดไวแล้ว แต่เราเกิดมารูดนี่ยังไม่ได้ยินแล้วไม่มาทำดูก็ก็น่าเสียดายเนือเกิดสมัยหนึ่ง <c oughs> ก็มีญาติกันเป็นหลานหลานถูกรถสิบลชอนแหลกไปเลยทั้งคนทั้งรถผมเมาเราก็ได้ทราบแสมายนั้นเราไปอยู่ป่าช้า ในชาันลานญาติกันตายเพราะรถชนก็เลยสั่งให้ออกมาป่าชาเลยไม่ควรจะไปในบ้านก็บอกพ่อแม่เขาว่าให้ออกมาเอาศพมาไว้ปา่าช้านี่เอามาก็ามากองดูม่เห็นว่าเป็นชิ้นไปส่วนคนเท่าใดแหลกไปหมดเลย แต่พ่อมามานั่งอยู่นั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆศพลูกพ่อก็พูดแต่คําเดียวพ่อบอกแล้วไม่เชื่อพ่อพ่อบอกแล้วไม่เชื่อพ่อพูดคําเดียวเป็นชัมม่วโมงนั่งอยู่ต่อศพนั่งอยู่ในศพของลูกชายพ่อบอกแล้วไปเชื่อพ่อพูดอันดื่นไม่เป็นเลย มันไม่มีอะไรที่จะผิดเพราะไม่มีความผิดบอกแล้วแกลูกไปเชื่อแล้วก็เลยไม่ต้องทุกเดืดร้อนเลยถ้าเราไม่ได้บอกเขาทำผิดจนเสียชีวิตจนเสียโอหายก็ถือว่าเราบกข้องนี่คือจากใจรักผิดชอบอย่างนี้ต่อคนทั้งโลก อย่างที่เราได้สาธยายพระสูตรในวันสองวันสามวันเนี่ยก็ทุกขังอริสัจจังปิณิยเยยันติเมพิกเวอิมิสุสเตสุอริสัเตสุทุกขังสมุทธอริสัจจังตันติเมพิกเวทุกของอริสัจทุกขังนิโรธาอริสัจจัง ปาญหาตับผังติไม่พกเวอีเมสุเตเตสุว่าอริสัตคือความเพียงอันประเสริฐอันข้อมดับและเหลือแห่งทุกนี้มีอยู่ทูตเจ้าได้แสดงไว้แล้วมีอยู่ทุกขงังลิสจังทุกมันดับประโยชน์เหตุที่เกิดทุกมันก็ดับประโยชนนี่โลดคือความดับทุกได้ชนิดก็ได้ทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ กรรมฐานเป็นคู่มือของชีวิตเราล้วนๆใช้ได้ถ้าใช้ชำนาญล้วเหนือการเกิดเจอเจ็ บ, จบตายได้เลยนี่คือคู่มือของเราเหมือนคู่บือการศึกษาเราเรียนวิชาการทางโลกใช้ได้จริงๆก้าวถึงเชื่อโลก โดยพระวิชากรรมฐานเข้าถึงปั๊บทันทีเลยเห็นรู้เข้าถึงเดียเเด๋ยวนี้เมื่อมีความรู้เห็นหลงเดี๋ยวนี้เหมือนอมิตาเห็นมองอะไรเห็นเดี๋ยวนี้เราไม่หูฟังเสียงอะไรก็ได้ยินเดี๋ยวนี้นั่นคือทวารหรือว่าทวารน่ะ ทาหูจะบุกได้กยใจเป็นอินทรีย์ใหญ่ไม่มีอะไรที่เป็นเห็นได้ด้วยนอกจากตาไม่มีอะไรที่สัมผัสได้เสียงได้นอกจากหูไม่มีอะไรสัมผัสได้นอกจากความร้อนความหนาวนอกจากกาย ไม่มีอะไรที่ฉันผัดได้อันเป็นสุกุพทุกนอกจากจิตใจแต่อันที่มันเป็นคู่มือคือสติสตเป็นอินทรีย์ทัวใหญ่กว่าตามหูวจบุรนกายใจใหญ่กว่าผ่านมาทางนี้มีสิทธิมันหลงแต่มีสติมสไม่หลงก็ได มันทุกท่ามีสติไม่ทุกข์กอดงันโกรธมันมนัอะไรก็ตามท่านมีสติเปลี่ยนได้เป็นคู่มือที่ิตใช้ได้เราควรใช่อย่างยิ่งให้มันได้ใช้ไปตลอดชีวิตที่มีอยู่ไม่แต่วินาทีเดียวเราใช้เป็นเราก็ใช้ได้ ให้เป็ น, ห เ, ปนเหมือนกับการที่เป็นหมอรู้สมุทฐานของโลกให้ายาเข้าถึงเชื่อโลกถ้าความหลงเป็นเชื้อโลกความรู้สึกตัวนี่เป็นย า, ปาเป็นโอสถรักษาได้เด็ดขาด อันโรคที่เกิดกับหลาายร่างกายของเราเนี่ยบางทีก็รักษาได้บางทีก็รักษาไม่ได้แต่นโรคอนที่เกิดกับชีวิตจิตใจเนี่ยมันรักษาได้เพ้น อ, อกุศลเจอความไม่ดีทั้งหลายรักษาได้กุศลความดีทั้งหลายทำได้เ๋ยวนี้นี่มันน่าเสียใจมากปาผู้คนในโลกเนี่ยทําไม่ไปทะเลา ก, กัน ทำไมต้องเบียดเบียนตัวเองทำไมจึงเบียดเบียนคนอื่นมันเสียโอกาสมากเพื่อนร่วมโรคเพื่อนร่วมเกิดเจ็บเจ็บตายด้วยกันทำไมบอกกันอย่างนี้จะมีค่าอะไรไม่สมกับชื่อว่ามนุษย์เลยทีเดียวช่วยกันให้เป็นเราก็เห็นอยู่ ไอ้ทุกขคยโกรธเคยโลภเคยหลงเราก็เห็นอยู่คนที่อยู่ใกล้คิดเราก็มีที่มีทุกข์ไม่โกรธไม่หลงไม่โลภไ ม, ม, ม่ทุกข์อะไเพราะมีอยู่ทำไมไม่รู้จักช่วยกันบ้างบาทีสามีปัญญาช่วยกันไม่เป็นเลยมิจะลบกันเกลือยเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแตกเล่าสัมผัสคิกันเลยให้ความโกรธภายความแตกแกลให้ความทุกข์ภายความ แตกแยกมันไม่เป็นอย่างนั้นเพี้ยนได้อย่างในน้ำนะจึงว่าวิชากรรมฐานเป็นวิชาคู่มือที่ใช้ได้จริงๆงตั้งต้นถูกต้องอย่างที่เราสาธยายพระสูตรความเพียน คือเรมีสติก็ได้แก้ไขสิ่งที่ทำมามีสติก็ได้ป้องกันความผิดพลาด ท, ที่ได้ที่จะเกิดขึ้นมีสติก็ได้ช่ยให้มันถูกต้องต่อไป ในเทวายสาธาในพระสูตรในอริยมรรคใกว่าสัมมาวา่าโมเพื่อป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นแต่มีสติแต่มีสติก็เพื่อ แค่ไ ข, ข้ขอคุลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นอีกนั่นเป็นอย่างนี้ถ้ามีสติก็สร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นถ้ามีสติก็สร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญมากขึ้นอย่างเดียวกันนะ มันเป็นอย่างนี้นะแล้วมีสติแล้วความชั่วทันทีมีสติทําความดีทันทีมีสติกิดบริสุทธิ์ทันทีนี่เป็นอย่างนี้จริงๆมีอยู่อย่างนี้จริงๆนะะที่อื่นไม่พบไม่อยู่กับตัวเราทุกคนเนี่ยเรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติใช้ได้เลย ไม่ควรที่จะไปเสียเวลาอย่างอื่นเหมืนอนลุงตาเป็นเชื้โลกหมอที่ศึกษาแล้วนี่บอกเด็ดขาดว่าลงุงในราบว่าลองเขาอยู่ชะลัดตัวนะันในราบว่าลองพ่อขังเขียนเป็นโลกก้นเนื้อโตเร็วนะ่และตับยังไม่มีอย่ารักษาเลยแต่หมอทางจุฬา แจ้งไปว่าอันก็นอนเนยตับมันเกิดไปจากก้อนเนื้อโตลเรล็วในในคอต่อมน้ำเหลืองไปสู่ตับหมอท่า น, นก็บอกว่าเออทำอย่างนั้นรักษาได้ให้เยื่งหูัวใหม่เข้าไปเลยนั่นพระเจ้าปิเศษวิจาการรักษาอื่นใดทั้งสิให้เยื่อู หมอทัานนี้ก็บอกว่าใช่ไม่มีวิธีอื่นโลกอย่างนี้นแต่หมอท่านนี้ก็บอกก็ต้องพูดอยู่กับพวกอาจารย์ตุ้มพวกหลวงตาก็เคยได้ยินไม่มีทางอื่นแล้วแค่ว่าอาจจะไม่ได้ผลหนึ่งหลวงพวกก่อก็ยุบบ้าสองน้ำหนักก็ไม่มี น้ำหนักลดมากที่สุดเลยเลือดก็ไม่ดีน้ำเหลืองก็ดีมะเร็งอันดับที่สี่อันดับสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ผลแต่ต้องแก้ต้องทำไปนี่ก็ตกลงเอาอยังไ้เลยวิถีมวยหยาไ ป, ไปเผชิญกับเชื้อโลกมันก็เป็นไปได้ดัานนี้ความหลงความไม่หลงเนี่ยมันอจจะง่ายกว่า ขี้โมไปฆ่าเชื่อโลกในตับใช่ไหมคุณหมอ <laughs> อันนั้นต้องมีประตูหนึง่งมีอะไรมีหมอมีที่เตียงไม่อะไรเ่ยนอนอยู่น้องโอชิยูนะ่ะอันนี้มาอยู่กับเราแท้ๆเลยนะนะ <c oughs> เห็นหลงเราก็เห็นนไม่หลงเราก็ทำได้แถวเนี้ยเลยเหมือนนมือหล ắng, ังเงยอเยนะี่ยเราปฏิบัติทำ เนี่ยก็ให้กระตือเลิ่น้นสักหน่อยถ้ามีหลงแล้วก็เอาเลยละเอียบเห็นสมุทฐานสมุททโยสุขขงังสมุททะอเียสัจจังปติตะมีพิกเปยมีสุสตั์สุขเข้าไปเลยได้ทำแล้วบ่เหตุได้เกิดความทุกข์ได้แก้แล้วทำแล้วทำเป็นแล้ว ของนิโรธะอริยสัจจ์ปัญญาตัดปันติเมพิกเวเราละได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วเมื่อกี้มันหลงเปลี่ยนไม่หลงแล้วเมื่อกี้มันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธแล้วเมื่อกี้มันทุกข์เปลี่ยนไม่ทุกข์แล้วเป็นอย่างไรทุกข์ก็หนดรู้สมุทัยละได้นิโรธทาไม แก้งมักเจริญเทมากลูกให้มากขยันลูกมากจ2ดสองสิบสี่ลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกหลูกเจ็ดลูกแปดลูกเ้าลูกสิบลูกสิบเ็ดลูกสิบสองลูกสิบสามลูกสิบสี่มีหนาที่ลูกดีหนึ่งนะงายเรียกว่าอาริมัต จะเลินได้มา ก, ม, ก, กมากคืนอวยมากเนี่ยตำราที่นหมอยู่เนี่ยกายเป็นตำราใจเราเป็นตำราแต่ไปขอจากใครมาถามใครก็ไม่ได้หลงก็หลงเองอาจารย์นุชินหนูหลงไหมไม่มีคำตาบอาจารย์นุชินก็บอกว่าไม่หลงไม่มีคําตอบตัวเราต้องตอบตัวเองรู้เอง เป็นปัจจิตตังอย่างนี้น่าจะขยันหมั่นเพียรขยันรู้ลงโดเด้วเปลียนอะไรที่ไม่ใช่ความรู้เปลี่ยนมาเป็นความรู้ลงดูสิมันจะไปแค่ไหนอันความหลงทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายความโกรธทั้งหลายความปิดทั้งหลายมันไปไม่รอดไปทีไรก็กลับทันทีไปทีไรกลับทันทีก็หมดแรงเหมือน ลมพัดภูเข า, าทิลระแทงเทึบเหมือนขึ้นซัดฝั่งมหาสมุทรนั่นก็จบลงได้ง่ายๆนี่เราจึงผู้ปฏิบัติผู้ฝึกตนดีเหมือนภูเขาศิลระแทงเทึบไม่เฉื่ อ, อนผู้ฝึกตนดีนินทาสันเฉินไม่หวั่นไหวเพราะเรา เราฝึกไปดีแล้วทำเป็นแล้วล <c oughs> มันหลงมันหลงไม่หลงอะไรต่างๆเปลี่ยนเป็นแล้วทำเป็นแล้วทำได้แล้วมันก็เราจะยกมือไหว้ตัวเองถ้าเรายกไหว้ตัวเองเขอเดินไหวเขาไม่ไม่กินแหนงแขงชายไหว้อะไรไหว้คุณธรรมไม่ใช่ไหายลูกไหว้ ร่างกายว่ายคุณธรรมที่ในคนคุณธรรมอยู่ในพัญญาคุณธรรมอยู่ในสามีคุณธรรมอยู่ในลูกในหลานอยู่ในมนุษย์ทุกคนคุณธรรมอยู่ในครูบาอาจารย์คุณธรรมอยู่ในคนุณพ่อคนแม่มีอยู่ทุกคนเราว่ายคุณธรรมผู้ไดเห็นธรรมผู้นั่งก็ผพ้ทีเจ้า พุทธเห็นพระพุทธเจ้าพุทธเห็นธรรมเห็นความไม่หลงเขาลบควาไม่หลงเห็นความไม่ทุกข์เขารบความไม่ทุกข์เห็นความไม่โกรธเขาลบความไม่โกรธพระพุทธเจ้าทุกองเขารบพระธรรมบ่ายเป็นมาแล้วทุกพระองค์กำลังเป็นอยู่ด้วยกำลังจะเป็นไปข้างหน้าอยางนี้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเขารบพระธรรมนั้นหลงไม่ต้องเคารพกัน เราเคารพความหลงมืนทุกเราไม่ต้องเคารพกันเราเคารพควา ม, ม่ทุก yeah. เนี่ยเดี๋ยวนี้บางคนไม่รู้เลยไปเคารพความหลงเอาเคนหลงมาหลงอยู่สองโลกสามโลกหลงอยู่ที่ไหนอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ยังตามมาหลงที่นี่หลงอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านยังมานั่งหลงอยู่ที่โกอยู่ที่บ้านโน่น ปีวันเรายังมาโกรธอยู่ที่นี่ทุกอยู่ที่นู่นเรายังมาทุกอยู่ที่นี่ไ ม, ไม่เคารพพระธรรมเคารพความหลงก็มีนะบางคนจนถึงกับว่าถ้ากูได้โกรธกูไม่ลืมตายไม่ลืมบางคนก็เข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิไปอันนี้ก็มีนะเ น, นเราจึงต้องขอให้ได้ขอเราขอให้เราได้ ทำเรื่องนี้เถอะจะได้พึ่งกันได้ใล้ใกเวลานี่หลวงตาขอพึ่งพวกเราได้ได้ทำตรง น, นี้ให้ได้ช่วยกันไปอีกหลวงตาก็อายุมากแล้วมันจะหมดแล้วขอให้มีผู้ทำต่อไปเหมือนสมัยครั้งพระเจ้าพระเจ้าก็ได้ ได้พูดลาพึงล่างนะสมัยพระสารีบุตรนิพพานท่าเจ้าก็่อยตาดว่าสมัยก่อนสารีบุตรอยู่ที่ใดพุทธบริษัทมั่นคงเดี๋ยวนี้สารีบุตรไม่มีแล้วพุทธบริษัทจะเป็นอย่างไรได้พูดกับผู้ทรง งูต้นทั้งหลายที่ฝังก็มีความกระตือรือร้นกันมาให้มีหวั ง, ว ง, ว ง, ว ง, วงให้พระพุทธเจ้าได้อาศัยคล้ายๆว่าอย่านั้นะพหะทุกเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องอะไรคนที่มีสินไม่ทำละอาศัยกันได้อาศัยได้ได้ปฏิบัติ ได้ละความชั่วได้ทำความดีทำความดีให้มากๆความชั่วละให้ลให้หมดความดีทำไม่ได้เหนั้นหลองตาสอนผู้ที่เข้าบทบทอุทิศบทจะบวดผมผ้ากาสาวคัดทงชัยของพระลหันอยู่ๆจะมาห่มเลยไม่ได้ต้องเดียนกรรมฐาน พระเจ้าก็สอนอ่างนี้ให้เรียนกรรมฐานก่อนหนายเจเข้ารู้สึกตัวหายเจออกรู้สึกตัวเคยมีความคิดอะไรมีอารมณ์อะไรเคยโกรธใครหยุดเดี๋ยวนี้เคยทุกข์เรื่องไหนหยุดเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เริ่มต้นวินาเทนี้มีใครบังคับมา ไม่ใช่ให้เรามีสรัทธาเดี๋ยวนี้อาศัยผ้ากาสพันี้จึงจะพ้นจากทุกท้องพวงได้เราก็ว่าอย่างนี้ต้องต้องต้นจากวิธีนี้อยู่กับตัวไหมเดี๋ยวนี้อยู่ไหนห่วงใคร จนเจ้าหน้าปะวะัวอยู่กับตัวตูวท่าทาหน้าตาก็หายเจีเขา้ารู้จึกหายอยู่เดี๋ยวนี้ตั้งต้นวินาทีนี่แล้วชั่ววินาทีนี้ทําดีวินาทีนี้พร้อมหรือ ย, อยังพร้อมจะหม่มนุ่งผ้ากาสวตดหรือ ย, อยังหร้อมแล้วเอาผ้าให้ไปห่มนี่คือตั้งต้นวินาทีนี่ยิ่งเรามีวิชากรรมฐาน ก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ต้องต้ง ต, งต้นใหม่เสมอนั้นหลงไม่หลงตั้งต้นใหม่แม้แต่เราทำกรรมฐานเนี่ยก็มีเทคนิคฉลาดบ้างพร้อมฉลาดบางทีต้องหาเองไม่ใช่เอาจากคนอื่นเสมอไปไม่ใช่เถินส่งบาท เ, เมื่อเราเดินอยู่นานๆมันอาจจะพลาดได้เปลี่ยนบ้างนั่งนานๆนนอาจจะพลาดได้เปลี่ยนบ้างสร้างจังหวะนานๆอาจจะพลาดได้เปลี่ยนท้าใหม่บ้างมีเยอะยอะวัตถุุปกรณ์ในกายของใจของเราเอามาเอามาเอามาใช้ได้หายใจพิบตาคืนน้ำลายกระดิกนิ้วหยากหยาบไปหาละเอียด หัดใช้กันอย่าทำเป็นโูกเดียวนั่งทางเจ้าวันานบางทีก็เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมเลยอาจจะยกแต่มือจิตใจไปไหนไม่รู้ต้องต้องต้นใหม่เดินนานๆอาจจะพลาดได้บางทีเวทนาครอบงำนั่งนานๆเอาผิดเอาถูกอาจจะมีนิวรณธรรมครอบงำ เกิดความโมงหง อ, าหาอนเกิดความเครียดวางใหม่เล่นวักสนันอยออกฉากสักดน่อนเหมือนนักมวยที่เขาจะชกกันออกฉากถ้าไม่มีฉากก็ไม่ไม่มีไม่มีวิชาที่จะออกไม่ต่อสู้กันออกฉากลกฉากเต้นฉากถ้าไหลยอย่างไร เพื่อมีกำลังมีพลังมีปัญญาเห็นช่องทางนี่กรรมฐานไม่ใช่จะเรียนตามรูปแบบสมนอกรูปแบบก็ดีบางทีบรรลุธรรมอาจจะนอกรูปแบบไม่ใช่อยู่ในอริบทในอริบทึงก็ได้จากพระอาน์เนี่ยจะทำสังไขนข้างที่หนึ่ง ต้องเป็นพระรหันต์ที่ทำสังขานาได้แต่ขาดอาโน์ไม่ได้เพราะอาโน์เป็นพระผู้สูตรจังทาสอนพระเจ้าได้ทุกทุกอย่างแต่พระอาโน์ยังไม่ใช่เป็นพระรหันต์พระมหากัะจปาจึงบอกให้พระอาโนนทำความเพียรอย่างรีบ ด, วด่วนเพื่อทำสังขยาในไม่นานนี้ต่อไป เพราะคนก็เอาจริงจังคนมีความรู้มีความอะไรที่มันก็มีความพร้อมก็จะเอให้ได้จะทําไม่ได้จะทําไม่ได้เหมือนคนมีกําลังเหมือนคนจะทําอะไรที่แข่งขันอะไรต้องชนะแน่ต้องชนะแน่เหมือนนักมวยที่เขาจะชกกันก็ก็บอกว่าชนงแน่ ถ like? oh. no, ้าหนูก็เช่นกันนั่งทำความเพียรมาย่อมข่อมจนเชี่ยงคืนก็ยังไม่มีอะไรก่อนคืนจนเห็นแฉงเงินแฉ่งทองขึ้นก็เลยมาเว้นวักหน่อยเออเรานั่งมาตั้งแต่หัวข่อ จนแขงงินแขงทองขึ้นไม่ได้หลับสักหน่อยเราจะพักผ่อนสักหน่อยเพื่อโอแรงเปลี่ยนฉากใหม่จะเงีบสักหน่อยเพื่อโอแรง<ม>ยังมีนะ<ม> <c oughs> ขอเงีบสักหน่อยมันเหนื่อยกันไปนอนก็ทํานลยขอหยีบสักหน่อยแนละ้วเอ็นหัวลงขณะที่เอ็นหัวลงยังไม่ถึงหมอนเนี่ย บรรลุธรรมเลยจะว่ายังไงมีรูปแบบไหนพระอา น, น, นุ์บรรลุธรรมไอ้รูปแบบใดไม่มีรูปแบบเลยถ้าเจะว่า น, นูเนี่ยถ้าอนอนก็ไม่ใช่เช้าอยู่เนี่านั่งก็ไม่ใช่แอบลังเ อ, อง็นลงนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนาทีนะั้นเพราะฉะนั้นนะกรรมฐานไม่ใช่จ่อยู่ในรูปแบบเสมอไปนอกรูปแบบก็ใช้ได้บางทีอย่าประมาทนะบางทีก็พลาดสะก็มี ถ้าเราติดตามดดีมันใช่ได้นะวิชากรรมฐานไม่ใช่รูปแบบทั่วไปสติต้อมีในรูปแบบเราถ้าใช่นอกรูปแบบเป็นนอะไรจะชำนิชำนานที่ว่าเรียกว่าเสเสเหมือนเล่นดนตรีนะถ้าไปตามโน้นนี่ไม่เพะนะใช่ไหมให้ปเป็นดนตรีใช่ไหมต้องแยกไปสักหน่อยนะใช่ไหมแงีย้ยสักหน่อย นี่เสียงแปลกๆสัหน่อยเชยๆจังหน่อยนะล้องตาเป็นการเล่นดนตรีเป็นเนาะเชยๆจังหน่อยเค้นอยู่ในวงเนี่ยมีแค้มีแคนมีขุี่มีกองมีอะไรต่างๆแล้วก็มันต้องมีแยกไปจังหน่อยห้มันแตกคนจะใส่ใจตรงนั้นมันมีเสียงแทรกไปเนี่ย ไม่ใช่อะไรของประดับไปเลยล่ะอย่างก็บหัวลำถ้าเขาเซไม่อยู่ในทำนองจะหน่อยจะไพโลรดีแล้วได้นนตีก็เหมือนกันแยกไปจักหน่อยนี่คือปฏิบปธรรมก็มันก็เป็นดนตรีชีวิตของเราเนาะสนุกนะนะทําด้าหลงบ้างหังลกกขมังบ้างแยกไปจังหน่อยแล้วมันซื่อๆบ้างเกินไปลําดับดู อารมต่างๆรับรับดูหยอกโลกอามที่เกโก้เราหนูมันจะเป็นยังไงเหมือนเอาองูพิษมาหยอกโลกแต่ไม่หนึ่งยานสุทัศน์จับงูชงอางได้เอามาหยอกโลกบางคนก็ชกงูชกงอยกับงูชงอางงูชงอางสองตัวสองตัว ไอ้คนคนเดียวชกตัวหลังชกตัวหนึ่งูตำรับงูจงงก็ชกเอาก็หลบหน้าหลบหลังยอกลอ้อมงูมันกลัวคนมันชกที่ใดก็ไม่ถูกถ ก, ก็โดดลงใบทีไปคนก็ตามไปดึงมันขึ้นมาชกกันอีกกรรมการตัดสิ น, น, นงูจงอางยอมแพ้บีกลงใบทีสองข้าวสามก้างยกเงือกเชี่ยให้คนชนะเลยนี่เขาหยอกลอ้อม หล อ, อกล่กิเลสก็ได้นะทำท่าคิดไปดูมันจะเป็นไงมันจะมีเชื่อมันจะอะไรเกิดขึ้นเหมือนท่องไหนหนึ่งพระสงห้าลกูกปลีกจากพระพเจ้าไปเข้ากรรมฐานอย่างเข้มกับมาดูความยิ้มแย้มแจ่มใส พระพุทธเจ้าทรงถามพิษุทั้งห้าลูกพิจุทั้งห้าลูกก็คุยพระเจ้าก็ก็ไม่ว่าอะไรสไมัยนั้นเขาอนางสิมาตายปัจจุบันเอาไปที่งป่าชาสิมานี่เป็นหญิงที่งามที่สุดคนงามเมืองพิจูทลายเห็นเธอดนงวันไหว รพรภิกษุผู้ที่มีอารมณ์หันไ่อตอนนั้นพระเจ้าจึงให้เอานางคนนี้ไปทิ้งปา่าช้าโดยปัจจุบันเบื้อทั้งหมดเลยภิกษุั้งลูกพระเจ้าก็บอกว่าพวกเธอเดินไปทางนี้ลองดูทีภิกษุไปเห็นนางงามคนนี้นอนเพื่อกายยงตายจดตด เกิดอะไรขึ้นนี่พิจูตทั้งหลายพิจุบางลูกไม่วันว่นไหวพิบังลูกเกิดความหมดหวั่นรู้สึกว่าตัวเองเป็น่โอ้ไม่ได้กลับเข้ากลับประทานอกีกเดี๋นี้เคยมีเพื่อนนาปรับทุกข์ให้ฟังอาจารย์ผมปฏิบัติธรรมมา10ปี20ปีมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้อกีก ผมโกรธโยมผมทะเลาะกับโจมผมเสียใจยมากทำไมผมเป็นอย่างนี้ผมไม่คิดว่าผมจะเป็นอย่างนี้ผมทะเลาะกับโจมผมโกรธโยมผมเสียใจยมากผมทำไปแล้วเสียใจสองตาเลยบอกมไม่เป็นไรถ้ารู้อย่างนี้หรือเ่ากิเลสเหมือนหมาตัวหนึ่งสติเหมือนช้างปันไหวอะไร มั้นแลดีที่เุดจะได้ตั้งต้นจะได้เอาอีกซ้มอีกเลยมันฟิตขึ้นมาอีกจะดี ก, กว่าเกา่าเราไปเฉียใจยนั้นแนี่เหมือนพระกรรมถานเห็นหนางชิมาเกิดการไหวเข้ากรรมฐานอีกเลิศกว่าเก่านี้ก็มีแล้วยอกล้อมันอยู่บางทีพระบางรูปเข้ากรรมฐานอาจารย์ผม มันไม่รู้เลยนะมันซึซื้ อ, อไม่รู้เลยนะนั่งอยู่ก็ไม่มีอะไรนะั่ น, อ, นอยู่ก็ไม่มีอะไรนอนอยู่ก็ไม่มีอะไรมันซึ้๊มันเป็นไงก็บอกว่าให้ลําดับมาลมณลองลงเป็นเห็นกองรูปจึกตัวเห็นรูปเห็นนามรูปทํานามทำหลังเท้ารูปมามันทําดีมันทำชั่วรูปนี้ รูปทุกนามทุกรู ป, ปรมันเป็นทุกนามเป็นทุกทุกบางอย่างกําหนดรู้ด้วยความรู้เฉยๆเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการบันเทาทุกบางอย่างกําหนดรู้โดยการลบัดคืออะไรทุกขังเป็นยังไงอันนี้จังเป็นยังไงอ น, นัตตาเป็นรูปนามนี่เป็น ก็ไม่เ <overl> ท <ain> um, ี่ยงยังไงก็เป็นทุกข์ยังไงไม่ใช่ตัวตนยังไงลําดับดูอันเป็นสมมุติอย่างใดรูปสมมุตินามสมมุติเป็นอย่างไรรูปลูกนามโลกเป็นยังไงสัจจะความจริงเป็นไงสมมุติปัญญาเป็นไงประมัดสัจจะเป็นยังไงลําดับดูความหลงจริงไหมก็ไม่หลงจริงไหมความโกจริงไหมความไม่โกจริงไหมลําดับดูซิ กุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรลำดับดูว่าถอยเหมือนรถติดโคลนทําไงรถติดโคลนอ่ะถอยหลังบ้างก็มีใช่ไหมเพื่ออะไรถอยหลังเพื่ออะไรเพื่ออกแรงนี่ก็ไม่เงินหรอกต้องทำอย่างนี้ดิสิเขาก็ไปทํำลำดับอู้ดีดีดีบางทีก็ต้องฉีดหลาดนะ ตัวกรรมฐานเนี่ยเป็นเถื่นชองบาทไม่ได้ทำอย่างไรมันก็ทํำไม่บาทีแยกไปเป็นของเราและไม่ใช่ของอาจารย์นะเหมือนก็เหมือนไม่ใช่คัพปี้เลยใช่ไหมคัพปี้มันเป็นของเราแล้วเนี่ยคือปฏิบัติอย่างนี้เป็นของเราแล้วแล้วพ่อเทียนเพื่อไงก็พูดตําลงเพ่อเทียนเลยไม่ใช่ เราต้องเป็นของเรานาะอ่าก็จากพูดเล่นๆอย่างนี้จะุกดีใช่ไหม <laughs> ให้มีให้มีอย่างนี้ชีวิตเรานะอาละ่ะสาคขวาเจาเวลากับพระพร้อมกัน